บทที่44ช่วยโยมุสลิมหลวงพ่อเก่งเหลือเกินครับขนาดเรื่องในบริษัทของผมหลวงพ่อยังรู้แต่หลวงพ่อเชื่อไหมครับว่าคนที่ยักยอกเงินของบริษัทนั้นเป็นชาวพุทธครับส่วนคนมุสลิมเขาไม่ทำเพราะเขากลัวถูกพระเจ้าลงโทษ พวกเราชาวมุสลิมเชื่อว่าพระอัลเลาะห์ทรงดูการกระทำของพวกเราตลอดเวลาจึงไม่กล้าทำชั่วนายยูซุปเล่าให้ท่านพระครูฟังอาตมาเสียใจยที่ได้ยินเรื่องอย่างนี้แต่ในฐานะที่โยมเคยเข้ากรรมาฐานมาแล้วโยมพอจะตอบอาตมาได้ไม่ว่าทำไมชาวพุทธคนนั้นเขาจึงยักยอกเงินทองของบริษัท แล้วโยมก็รู้ทำไมถึงไม่ไล่เขาออกเพราะเขาไม่เคยเข้ากรรมาฐานครับเขาจริงไม่เชื่อว่าดีชั่วผิดถูกนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เขาก็อาจจะเชื่อแต่ก็หักห้ามใจไม่ได้ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำจิตใจเลยเห็นกลจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีบุรุษมุสลิมตอบ ที่โยมพูดมากอดถูกแต่ถูกไม่หมดหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าคนที่เคยเข้ากรรมฐานมาแล้วแต่ยังคงทำความชั่วอยู่เช่นยักยอกเงินเจ้านายขโมยเงินของนายเมื่อมีโอกาสแบบนี้แสดงว่ากรรมฐานไม่ดีจริงใช่ไหมท่านพระครูทดสอบความรู้ และความเข้าใจในธรรมะของเจ้าอยู่ซุกคงไม่ใช่พระกรรมฐานไม่ดีหรอกครับหลวงพ่อแต่ผมคิดว่าเขาปฏิบัติไม่จริงจังมากกว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดว่าทำจิม จ, มจิมจำจำถ้าเป็นเช่นนี้ต่อให้เขาเข้ามาปฏิบัติเป็นสิบครั้งร้อยครั้งก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะปัญญาไม่เกิดคนที่เขาปฏิบัติจริงจังแค่เจ็ดวันก็เห็นผล ต้องปฏิบัติให้ได้สามขั้นอย่างที่หลวงพ่อสอนคือต้องให้ระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าทำไม่ได้สามขั้นอย่างนี้เขาก็จะรู้ด้วยตนเองว่าดีชั่วผิดถูกนรกสวรรค์มีจริงจะเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกมาสอนแล้วเขาก็จะไม่ทำชั่วอีก ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องทุกประการอาตมาอนุโมทนาที่โยมแม้จะเป็นมุสลิมแต่ก็สามารถปฏิบัติธรรมจนเข้าใจและเข้าถึงความจริงของชีวิตอาตมาอยากให้ชาวพุทธทำได้อย่างโยมพวกเขาจะได้มีชีวิตที่ดีงามตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเอาละโยมยังไม่ได้ตอบอีกข้อหนึ่ง คือข้อที่ว่าโยมรู้ว่าคนในบริษัทยักยอกเงินแล้วทำไมถึงไม่ไล่ออกละ่ะที่ผมไม่ไล่ออกเพราะเห็นว่าถ้าเขาไปอยู่บริษัทอื่นก็จะไปยักยอกเงินของบริษัทนั้นอีกผมกำลังแก้กำลังหาทางแก้ว่าจะทำอย่างไรให้เขาเลิกเคยแก้ด้วยการเพิ่มเงินเดือนให้เขา คิดว่าเมื่อได้เงินเดือนมากขึ้นกว่าเดิมเขาก็จะเลิกทำในสิ่งที่ผิดแต่เขาก็ไม่เลิกผมจะส่งเขาเข้ากรรมาฐานรุ่นแรกครับหลวงพ่อคิดว่าเขาจะเลิกได้ไหมครับยังเลิกไม่ได้ต้องส่งมาเข้าถึงสามครั้งคนนี้เขาสอนยากเพราะเคยชินกับความชั่วแล้วแต่ไม่ต้องกังวลนะมาครั้งแรกเขาจะดีขึ้น จะทำชั่วน้อยลงพอครบสามครั้งเขาก็จะคิดได้แล้วก็เลิกทำชั่วอย่างเด็ดขาดแสดงว่าผมได้ประโยชน์จากกรรมฐานมากมายตั้งแต่ช่วยชีวิตลูกชายไว้ได้จนถึงทาให้สมุบัญชีของบริษัทเลิกยักยอกเงินผมเป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อมากเลยครับอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณอะไรเลย เป็นบุญของโยมเองต่างหากถ้าโยมไม่มีบุญก็คงไม่ได้มาปฏิบัติเหมือนชาวพุทธที่นับถือพุทธมาตั้งแต่เกิดแต่ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรไม่รู้จักของดีที่ตัวมีอยู่โยมเป็นอิสลามแท้ๆยังมีบุญได้ของดีไปท่านพระครูเปรียบเทียบหลวงพ่อคะหนูมาขอเบอิดค่าเราเรียนค่ะ นางสาวต้นหลิวพูดขึ้นหล่อนรู้สึกกำคาญที่ท่านพระครูพูดคุยกับชายคนที่นั่งข้างหน้าหล่อนนานเกินไปจึงต้องใช้วิธีลัดคิวท่านพระครูพูดกับนายูชุบว่าอาตมารับปากกับหนูคนนี้ไว้ว่าจะส่งเรียนให้จบปริญญาโทเขาสอบเรียนต่อได้แต่เตียไม่ยอมให้เรียนอาตมาเรียนมาน้อย จึงอยากสนับสนุนให้คนได้เรียนมากๆโยมร่วมทำบุญกับอาตมานะอาตมาจะเอาเงินที่โยมถวายนี้เป็นค่าเล่าเรียนเขาท่านบอกในยูซุปหลังจากที่ได้อารมพบบทมาพอสมควรสุดแล้วแต่หลวงพ่อเถอะครับผมถวายแล้วหลวงพ่อจะนำไปทำอะไรก็แล้วแต่จะเห็นสมควรผมไม่ขัดข้องครับ บุรุษมุสลิมตอบเขารู้สึกว่าหญิงสาวผู้นี้ไม่มีมารยาทหากหล่อนได้เข้ากรรมฐานคงจะดีขึ้นจึงพูดกับท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับถ้าผมจะขอตั้งเงื่อนไขว่าผมจะขอรับเป็นผู้ส่งเขาเรียนจบ แต่เขาต้องเข้ากรรมฐานเจ็ดวันเพื่อหลวงพ่อจะได้ได้บุญด้วยอย่างนี้ได้ไหมครับท่านพระครูจึงถามนางสาวต้นหลิวว่าตกลงไหมโยมคนนี้เขาจะส่งหนูเรียนแต่หนูต้องมาเข้ากรรมฐานเจ็ดวันหนูไม่มีเวลาหรอกค่ะสาววัยยี่สิบเอ็ดตอบทันทีเพราะหล่อนไม่มีศรัทธาที่ไม่มีศรัทธาเพราะหล่อนไม่มีบุญนั่นเอง เรียนจบแล้วค่อยมาเข้าก็ได้นายยูซุปต่อรองเขาอยากให้คนที่เขาช่วยเหลือได้รู้จักของดีและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตงั้นก็ตกลงค่ะหล่อนรับปากอย่างนั้นเองคิดว่าเมื่อเรียนจบแล้วก็คงไม่จําเป็นต้องมาวัดอีกท่านพระครูรู้ความคิดหล่อนจึงย้ำว่าหนูจะต้องมีสัจจะนะ คนที่ขาดสัตจะจะทำให้ชีวิตตกอับอภพอับโชคโกรกภัยเบียดเบียนสมภารวัดป่ามะม่วงพูดคล้องจองกันเพราะกรอนพาไปค่ะหนูจะรักษาสัต จ, จะหล่อนรับคำเพราะอยากได้เงินมากกว่าท่านพระครูจึงมอบเงินจำนวนสองมืนบาทที่นายยูชุบจะายมานั้นแกหลอนรับเงินแล้ว หญิงสาวพลันเหลือบไปเห็นพระพุทธรูปที่วางไว้หลังอาสนะเกิดความอยากได้จึงออกปากขอจากท่านพระครูหลวงพ่อคะพระพุทธรูปองนี้ดูครั้งดีขอหนูไปบูชาได้ไหมคะหล่อนคิดว่าถ้าท่านไม่ให้ก็จะขอยืมแล้วก็จะไม่นำมาคืนท่านคงไม่ถึงกับตามไปทวงหลอกหน้า หล่อนคิดในใจได้แต่หนูต้องบูชาจริงๆพระพุทธรูปองค์นี้หลวงพ่อได้มาตอนเดินทุดงกับหลวงพ่อในป่าเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยอายุเจ็ดร้อยกว่าปีและหลวงพ่อให้เขาทำไมคะหนูอยากไปเอาของเขาเลยท่านคงรักพระพุทธรูปองค์นี้มากขอองค์อื่นไม่ดีหรือ สตรีที่นั่งติดกับนางสาวต้นหลิวพูดขึ้นนางนึกเสียดายแทนท่านพระครูหลวงพ่อบอกจะให้หนูแล้วถ้ากลับคำจะบาปนะคะนางสาวต้นหลิวพูดเพราะกลัวท่านพระครูจะเปลี่ยนใจหล่อนคิดว่าสตรีผู้นิอิจจาที่เห็นหล่อนจะได้ของมีค่าไปครอบครองหลวงพ่อไม่กลับคำหนูไม่ต้องกลัว คนอย่างหลวงพ่อมีสัจจะพูดคําไหนต้องเป็นคํานั้นท่านพระครูพูดแล้วก็หยิบพระพุทธรูปมาตั้งไว้บนโต๊ะข้างหน้าบอกหล่อนว่าเอาละ่ะหลวงพ่อให้แล้วหนูเอาไปบูชาได้นางสาวต้นหลิวจึงหยิบพระพุทธรูปมาครั้นได้เงินและของมีค่าแล้วก็กราบประกประโลกสามครั้งแล้วก็ลุกออกไป หลวงพ่อไม่น่าให้เขาเลยอ่ะท่าทางเขาไม่เหมาะที่จะเป็นเจ้าของของมีค่ากิริยามารยาทดูไม่มีสกุลเลยสตรีคนเดิมว่าที่อาตมาให้เ้าไปก็เพราะเห็นแล้วว่าเขาเป็นเจ้าของตอนแรกก็นึกเสียดายเสียดายอยู่เหมือนกันแต่พอมาคิดว่าไม่ใช่ของเราก็ต้องคืนเจ้าของเขาไป แม่หนูคนนี้เขาเคยเป็นเจ้าของแล้วจึงพูดกับนายยูซุปว่าโยมสบายใจได้นะอัตมาต้องใช้กรรมกับแม่หนูคนนี้ต้องส่งเสียเขาเรียนเพราะเขาเคยเป็นลูกเป็นหลานในอดีตชาติถึงโยมเองก็ต้องเคยเกี่ยวข้องกับเขามาก่อนถึงต้องมาช่วยอัตมาส่งเขาเรียนถ้าอยากรู้ก็ขอให้หนางกรรมฐานมากๆ แล้วก็จะรู้ได้โดยตนเองครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะต้องใช้กรรมฐานตรวจสอบว่าผมเคยเกี่ยวข้องกับเขามาแต่ชาติปางไหนนายยูซุปตอบจากลันจึงลากลับเพราะเห็นว่ารบกวนเวลาท่านมานานแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นท่านพระครูเดินทางไปกิจธุระในกรุงเทพกำลังจะออกจากกุฏิ บุรุษผู้หนึ่งในชุดนักบวชของศาสนาคริสต์ได้มากราบเรียนว่าท่านครับผมชื่อศักชัยเป็นบาทหลวงอยู่ที่รา ช, ชบุรีจะมาขอเข้ากรรมฐานที่วัดนี้สิห้าวันครับโยมคิดอย่างไรถึงจะมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้ที่จังหวัดรา ช, ชบุรีไม่มีวัดที่จะสอนกรรมฐานหรือท่านพระครูถามมีครับมีหลายวัด แต่ผมก็อยากมาให้ไกลๆเดี๋ยวพวกชาวคริส ท, ที่ราชบุรีเขาจะเข้าใจพากันว่าผมเปลี่ยนจากคริสมาเป็นพุทธอีกประการหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมไปเข้ากรรมฐานที่วัดในจังหวัดราชบุรีไม่ทราบว่าเจ้าอาวาสวัดจะอนุญาตให้ผมเข้าหรือเปล่าเพราะท่านกลัวว่าผมจะไปเกลี้ย ก, กล่อมชาวพุทธให้มานับถือคริสและโยมเคยทำอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะบาทหลวงวัย ยี่สิบตอบเสียงอ่อยๆเคยครับเพราะเป็นนโยบายของการเผยแผ่าศาสนาของเราอย่างนั้นหรือแต่อาตมาไม่เห็นด้วยนะใครขอนับถือาศาสนาอะไรก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาปสาทะของเขา บางคนเขานับถือตามพ่อตามแม่ปู่ย่าตายายคือบรรพบุรุษนับถือกันมาอย่างไรก่อนนับถือตามกันไปอย่างนั้นการชักชวนให้เขาเปลี่ยนศาสนาก็เหมือนกับไปทำให้เขาไม่กระตันอยู่ต่อบรรพบุรุษอาตมาเป็นผู้สอนศาสนาเหมือนกับโยมแต่อาตมาไม่เคยชักชวนใครให้เปลี่ยนศาสนา เพราะอาตามาเคารพสิทธิมนุษยชนที่วัดอาตามามีคนเกือบทุกศาสนามาเข้ากรรมฐานมีทั้งครีกอิสลามฮินดูซิกอาตามาไม่เคยชักชวนหรือว่าล้างสมองให้พวกเข้ามาเป็นพุทธแล้วก็ไม่บังคับให้เข้ามากินอาหารแบบเดียวกับชาวพุทธอย่างเช่นคนมุสลิมเขาก็ไม่กินหมู อาตมาก่อให้เขาทำอาหารมุสลิมให้เขากินที่อาตมาทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้คนมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ได้สแสวงหาบุญในศาสนาอื่นแต่อาตมาดำเนินตามรอยบาทพระาศาสดาพระองค์ทรงบําเพ็ญประโยชน์แก่โลกที่เรียกว่าโลกกัตเจริยาทรงสมเคราะห์ชาวโลก โดยไม่เลือกชาติชั้นวันนะและศาสนาซึ่งการกระทำเช่นนั้นมิได้มีความประสงค์จะชักชวนให้คนมานับถือพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นการแสวงหาบุญในศาสนาอื่นการเป็นนักสอนศาสนาจะต้องใจกว้างต้องไม่โจมตีศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นการที่โยมจะมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้ อาตมาก็ยินดีต้อนรับแต่จะขอร้องโยมสักเรื่องหนึ่งก็คืออย่าไปชักชวนหรือว่าบังคับให้ใครเขาเปลี่ยนศาสนาโยมจะทำได้ไหมละ่ะถ้าผมทำไม่ได้ท่านก็จะไม่ให้ผมเข้ากรรมฐานที่นี่ใช่ไหมครับบาทหลวงศักชัยถามอาตมาไม่ทำเช่นนั้นเพราะเป็นคนละเรื่องกัน เอาละอาตมาจะต้องไปธุระที่กรุงเทพเชิญโยมตามสบายนะเดี๋ยวพระมหาบุญท่านก็จะให้พาไปที่พักแล้วอาตมาก็จะสอบอารมณ์ให้หลังจากกลับมาแล้วท่านจะไปกี่วันครับไปวันเดียวไม่ได้ค้างคืนคำคำกอกครับอาตมาไปละนะพระมหาบุญออกจากห้องพอดี ท่านจึงบอกภิกษุวัยสี่สิบเศษว่าบาทรหลวงศัก์ชัยจากรา ช, ชบุรีจะมาเข้ากรรมฐานสิบห้าวันท่านช่วยจัดการเรื่องอาหารที่พักด้วยคำคผมจะกลับมาครับหลวงพ่อประเดี๋ยวผมจะมาจัดการเองนิมนต์หลวงพ่อเถอะครับมหาบุญบอกท่านพระครูท่านพระครูได้รับนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ และฉันพัฒหารแผนที่โรงงานยาสูบกระทรวงการคลังโรงงานยาสูบได้จัดงานทําบุญทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับโรงพยาบาลโรงงานยาสูบเนื่องจากมีคนไข้มารับการรักษาพยาบาลเป็นจํานวนมากจนอาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการจึงต้องจัดการทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินมาสร้างเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลัง ท่านพระครูได้รับอารัธนาไว้แล้วว่าจะเทศเรื่องกฎแห่งกรรมในงานนี้เวลาป่ายโมงตอนเช้ามืดท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอให้มรรดาเศรษฐีที่มีเงินทั้งหลายมาฟังเทศกันมากๆและหากท่านมีบุญวาสนาขอให้ได้เงินกันเทศ20สิบล้านบาทเท่ากับราคาค่าก่อสร้างอาคารเพื่อที่คณะกรรมการจะได้ ไม่ต้องไปบอกบุญเรียรายจากใครอีกท่านรู้กระทั่งว่ากรรมการจะมาขอแบ่งเงินกันเทศจากท่านครึ่งหนึ่งเพื่อจะเอาไปสมทบทุนในการสร้างอาคารเมื่อได้เวลาที่ท่านเทศประธานจัดงานก็ได้มากราบเรียนว่าหลวงพ่อครับคณะกรรมการให้ผมมาขอบินทบาทเงินที่ติดกันเทศครับไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะยินยอมหรือไม่ เขาพูดอย่างไม่เกรงใจหมายความว่าอย่างไรท่านพระครูอยากให้เขาพูดตรงไปตรงมาหมายความว่าคณะกรรมการจะขอแบ่งเงินค่ากันเทศครึ่งหนึ่งเพื่อมาสมทบทุนสร้างตึกใหม่ครับประธานอธิบายอาตมาไม่ให้ครึ่งหนึ่งหรอกเพราะวันนี้อาตมาได้ค่ากันเทศเป็นล้าน ท่านพระครูบอกท่านไม่กล้าบอกว่ายี่สิบล้านเพราะยังไม่มั่นใจว่าจะมีบุญวาสนาดังที่ได้อธิษฐานไว้หรือไม่เพราะทุกสิ่งเป็นอนิจจังจะจับให้มั่นคันให้ตายย่อมทำไม่ได้คนเป็นประธานคิดว่าท่านจะให้น้อยกว่าครึ่งจึงต่อรองว่าถ้าท่านคิดว่าครึ่งหนึ่งมากไป ผมขอหนึ่งในสามได้ไหมครับไม่ได้ท่านพระครูตอบปฏิเสธอีกวาระหนึ่งครั้นเห็นหน้าเขาซีดลงซีดลงก็รู้สึกสงสารสิ่งพูดดังฟังชัดว่าอาตมาจะยกให้ทั้งหมดไม่เอากลับวัดแม้แต่สตางแดงเดียว ขอพระคุณครับเขาพูดอย่างยินดีแล้วกราบปรลกปรลกสามครั้งสิ้นสุดการเทศญาติโยมพากันกลุ่มรุมท่านพระครูเพราะติดใจในเรื่องที่ท่านเทศพวกเขาเทกระเป๋าติดกันเทศกันเลยข้างฝ่ายเศรษฐีทั้งหลายเมื่อไม่มีเงินสดก็เขียนเช็คติดกันเทศกันคนละแสนสองแสนฝรั่งคนหนึ่งฟังภาษาไทยรู้เรื่อง เพราะได้ภรรยาเป็นคนไทยก็ยติดอกติดใจในลีลาการเทศของท่านจึงเขียนเช็คติดกันเทศเป็นจำนวนถึงหนึ่งล้านบาททั้งที่ตัวเขานับถือาศาสนาคริสต์วกกรรมการช่วยกันนับเงินเสร็จก็ประกาศทางไมโครโฟนว่ายอดเงินผ้าป่าได้สองแสหบาบาทส่วนเงินติดกันเทศทั้งเงินสดและเช็คได้ยี่สิบล้านบาท กับห้าสิบสตางค์ซึ่งเงินจำนวนนี้ท่านชาอาวาัตวัดป่ามะม่วงท่านกรุณาบริจาคให้เป็นค่าก่อสร้างตึกหลังใหม่ซึ่งเรากะงบประมาณค่าก่อสร้างไว้ยี่สิบล้านพอดีเราต้องรีบประกาศด้วยความเกรงว่าท่านพระครูจะเปลี่ยนใจเพราะเห็นเงินมากกว่าที่คาดคิดท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมให้กรรมการได้ยินว่า นี่เกินมาตั้งห้าสิบสตางค์เชียวรึเมื่อเช้ามืดอาตมาตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้เงินติดกันเทศยี่สิบล้านแต่ปรากฏว่าได้ตั้งยี่สิบล้านกับอีกห้าสิบสตางค์แสดงว่าอาตมามีบุญวาสนาเกินกว่าที่อธิษฐานไว้เงินถึงได้งอกขึ้นมาอีกตั้งห้าสิบสตางค์ท่านพูดยิ้มยิ้มเพื่อให้ประธานและกรรมการรู้ว่า ท่านรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะได้เงินเท่าไหร่พวกเขาจะได้เลิกล้มความคิดที่ว่าท่านคงนึกเสียดายเงินเมื่อได้เวลาอันสมควรท่านจึงบอกลาญาติโยมและคณะกรรมการฝ่ายจัดหาเงินพวกเขาต่างพร้อมใจกันจะมาส่งท่านที่รถขหบดีซึ่งมากับภรยากราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อครับผมศรัทธาหลวงพ่อมาก อยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์เมื่อกี้ผมเขียนเช็คติดกันเทศไปสองแสนครับอาตมาขออนุโมทนาวันหลังไปเที่ยววัดป่ามะม่วงบ้างนะท่านบอกข้าหาบับดีครับผมไปแน่แต่วันนี้ผมขอนิมนต์หลวงพ่อไปที่บ้านผมเพื่อความเป็นสิริมงคลผมปลูกบ้านหลังใหม่ราคายี่สิบล้าน อยากให้หลวงพ่อไปดูบ้านผมหน่อยกรุณาผมด้วยนะครับบ้านโยมอยู่ที่ไหนละ่ะท่านถามอยู่ลาดพร้าวครับถ้าอย่างนั้นอาตมาก็ขอถามลูกศิษย์ก่อนว่าเขาจะแวะได้หรือไม่งั้นเดี๋ยวผมจะพูดกับเขาเองว่าผมจะจ่ายค่าเสียเวลาให้เขาห้าร้อยคงไม่ต้องรอกลูกศิษย์อาตมาเขาไม่ได้เป็นคนเห็นแก่เงิน อะไรช่วยได้เขาก็จะช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆท่านพูดออกตัวให้ลูกศิษย์และนายสมชายก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อเดินมาถึงที่จอดรถท่านจึงถามนายสมชายว่าช่วยแวะบ้านโยมที่ลาดเพล้าสักประเดี๋ยวได้หรือเปล่าโยมเขานิมนต์ไปดูบ้านได้ครับต้องผ่านทางนั้นอยู่แล้วนายสมชายตอบ และจึงเปิดประตูให้ท่านเข้าไปนั่งในรถข้าหาวดีบอกเขาว่าขับตามผมมาเลยนะครับผมจะพยายามขับช้าๆหรือถ้ากลัวหลงผมจะเขียนแผนที่ให้ก็ได้ไม่ต้องหรอกครับช่วยบอกว่าบ้านเลขที่เท่าไรอยู่ซอยอะไรผมก็จะไปตามนั้นผมพอรู้ทางครับนายสมชายตอบ ข้าบดีจึงบอกไปตามที่เขาต้องการทราบจากนั้นจึงเดินไปยังรถของตนเข้ามานั่งในรถแล้วนายสมชายจึงถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อจะให้ไปถึงก่อนเจ้าของบ้านหรือว่าถึงที่หลังครับถึงพร้อมๆกันก็แล้วกันเพราะถ้าถึงก่อนก็ต้องไปรอเขาถึงที่หลังก็ทำให้เขารอถึงพร้อมๆกันดีที่สุด ถ้าถึงพร้อมๆกันก็ต้องขับคู่กันไปสิครับถนนซอยเขาคงให้วิ่งได้เลนเดียวนายสมชายตั้งใจยัว่วถ้าวิ่งได้เลนเดียวรถที่สวนจะมายังไงละ่ะมิชนกันอุตรุษหรือท่านพระครูยั่วตอบเลนเดียวในที่นี้ผมหมายถึงสองเลนครับคือวิ่งมาเลนหนึ่ง วิ่งไปอีกเลนหนึ่งรถจึงวิ่งสวนกันได้โดยไม่ต้องชนกันอุตรุษอย่างที่หลวงพ่อคิดสิทธวัดอัฏฐาทิบายอย่างนั้นหรอกหรืองั้นก็จอด ต, ต่อท้ายเขาเลยพอเขาจอดปุ๊บเองก็เข้าจอดท้ายปับ๊บทำได้หรือเปล่าสบายมากครับหลวงพ่อไม่เชื่อคอยดูก็แล้วกันแล้วข่าจะคอยดู